เาไม่รีว่าเขาอยู่ ไปแบทงานอยู่ดเท่าเป็นผู้มีส่วนผู้ลาภการเกิดมันเป็นอยู่หมดจิตโสหมดสัพพิลาโค คือการนรกบ่คือาตดินสาตั้งนสมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอรหันตอรหนัสมาเป็นมนุษย์คนจิตเกิดสันสวทเทวดาเป็นเอ็นจมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกัสามสาทบุญท่อนำความดีดี๋ยเกิดในสถาที่ดีคนจิตมาเกิดเป็นมนุษย์าเป็นลาอันไ นับเดคนนี <c ười> à, ệt, hay, không, không, ้เกิดเท่ใ้ท่านเกิดชอบปลวกจริงไหมนหนึ่งกับบอด้จปวกคนปวกนึงมันขี้โงมากคมนุษย์น่เดเให้นดคนนึงมก็รายนับบได้ครับวทั้งหลายมันเกิดง่ายสองทางทจะไปเกิดเป็นสัตว์มันรายเกิดที่อื่นมันราย การ ม, มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพื่อมาเกิดได้จะว่าเป็นหินเป็นกุศมเป็นสโสเป็นล่าเกิดหนักเกิดเป็นมนุษย์เมันเกิดง่ายม่นคือเกิดเป็นสัตสตร์ศาตร์เกิดทองนึงทองนึงกะระตีบางที่เลยทองละพันและลอดอย่ยงางกบอย่างอื่นตูปามันใครใจละเอียดมันอกอกหยุย่นใจละเอียดนับบ่ได้มนุษย์เท่า ออกได้ยาวหนัั่งหนึงีน่งดคู่หนึ่งสองคนยาวหนัสามคนหางหนที่ออกก้าแสบถึงสามคนสาคนอยากได้หายหนงตาจะเลียดกระดูกนีลูกมันเกิดหนักยิงสมัยนี้มันเกิดหนกหลายม่นคือสมัยกวนแล้วขท่ามา่กกันเลาอยาขึ่งก็เหนิดกัน เกิดโดยใจาัณนาเขาห่างเลยเกิดได้แต่ิ้่กระดังนั้นยังมีลหลายหลกมนุษย์เหมือนว่าเป็นโศกเป็นหลัที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเขาวัดขั้นะนะขัมจังสินภาวนาเหยีบข้าก็ได้บ่กซีฟัดทัวไป น, นี่คือโศกหลาความมนุษย์ที่เกิดมาแล้ว ต่างนามทําบินทำต้นงานความดีจากต้นกระบอคนี้พี่แกหน้าแต่แรกหาความดีกระเสี่องใจเจเศษของมนุษย์เดนของมนุษย์กาบของมนุษย์เกิดมาแล้วว่าสั่งจะงามความดีอันใดถือว่าเกิดมาแล้วกะเชื่องใจเจเหรนใจเพื่อนใจชินใจนอนงไปมันก็ะบอพิษแตกแกต่างกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์มันกระบอเก้ ให้ท่านรักษาชิ้นไหวพอสมมุ่นเนยตาภาวนาได้หาใส่ปากให้ท่องแล้วก็นอนกินเฉยเอียงอยู่มันว่ามันคล้ยจะดีว่ามี้กระตีลูกหล่มสิอยากสั่งนั่นทำบุญนี่คือเรื่องของสัตว์คนที่ประพฤติปฏิบัติตัวถ้ามนมัน่นมันจะเป็ น, น, นสัตว์อยู่ในจิตในใจของมันคือว่มีการเหลี่ยมไส่ท่าท่าว่มีการ คิดว่าสีสั th th ่งช่วยงานข้อมดีตายตายนี่ก็โดนกูชนสีสั่งไว้สิเลยมาเป็นมนุษย์มันงดแล้วมันจะสีไปใส่ล่ะการใส่งดแล้วกินงดแล้วมันก็จนมันจนมันก็โตลงไปทุกแต่มันงดคนจนมันสมดก็เพาะบะสะสมบะเช็ดบะทั้งบะกอบะสั่ง ความจนมันจะเกิดขึ้นก่อขันสังขันเฮตขันทำความจนมันก็บ่กเกิดขึ้นความจนของพกขอาแต่ท่านน้องเดียวกันมันส่งงไปซือสี่ตทำมันก็อาศัยว่าห้าก่าสั่งบ่ทำคุณงามความดีวัดก็เข่าไว้จ่าวงงบพันว่าโชจะพบดักดำจื๋อเงี้ยงต้องระ่ะมันบร้จิตฮะชุ่มงามความดีอันใด เกิดมากะยิ่งใจสิงใจเด่นจะรับใจนั่ไปจยังอ่ะคนสนิทนันมันมนุษย์จรสารนอกว่เป็นมนุษย์โสดว่าเมนุษย์สตีโวมนุษย์มันมีหลายจำพวกมนุษย์สตีโตมันก็มีมนุษย์เป็ดหลังกายหนาตาจีรสารวันหนาเป็นมนุษย์ใจใจมันเป็นเป็ดฮะหลอกฮะร้อนนะหลักนะเขาโม้ จิตใจความมีความมีดีในอาณาเข้มมันก็เห่นทานรักพาสินภาวนานี่กันจะเบียดเบียนคนอื่นยมนกลัวไปสถานทือใด้ยัมีภัยไหวเหน่ยเสียใจรักหน่อยเขาน้อยไงหนึ่งชื่อมนุส์เตโตมนุ์เตดมนุสัตติรสาโน บืมากไม่เป็นใจหาอยากหาชีวเท่านั้นไม่มีวันสิเหนอท่านไม่มีวันสิรักษาชีนิตไม่มีวันสิไหลพาส่วนโน่นเนี่ยตาพราน่าฟังธรรมะทโมอี๋เนาเหมอนไปว่ามนุษย์สัตว์เป็นาโนกคือเป็นสัตว์ทั้งหยุดหลังสัตว์เป็นมนุษย์แต่คิดใจมันตามฝ่าละมกมันเป็นสัตว์มนุษย์โส่โซมนุษ ที่นีคุณน่ะท่านประจำตัวหร่อจักวาดจักว่าจักลจักเจ้าหรือจักสินจักท่านรักษาสจริตกายว่าทําตัววาจาว่าบุตัวจิตใจว่าคิดตัวนี่เป็นคุณน่ะท่านของมนุษย์มันุัย์เกิดนายเกิดเป็นมนุษย์แต่นีขั้นเป็นดับของมนุษย์จะเป็นมนุษย์สีส้มดูดได้ มนุษย์ที่บอกมบูร์เป็นมนุษย์เตตมนุษย์ันาลพวกนี้เกิดมาแล้วมันจ่านี่ย่แล้วสมบูรอย่งอยู่หกกหอฝานักผดินมีใจจิ้ใจฉี่จะเดืยดเดียนคนอื่นพระพุทธเจ้าควรจิมัตน้สอนอย่างไดสอนเราอีู่ว่ได้นิ่งได้ฟังว่ได้หูได้เห็นอี่างั เพราะคิดใจนความคืองาทนาความหมอกความทังความอตรงนั้นตลอดมาฝนมันก็มีอะไรไปปิดไปค้งงหายเพามัน่วงไห้นี่มนุษย์ทั้งสองทมนุษย์สเกตโตมนุษย์ัิตินานก็ทํานั่งเดียวกันเป็นคิตใจความจากคุณั่งข่วมดีบเดคิดสี่สารคุณั่งข่วมดีอะไรปด็ง่ายเอาไว เส่ยวับธรรมะธรมโนเจตันเกิดหน้าเหรอรบว่าในสารประโยชน์ให้ทุนซุ้นกำไลเมืนจะให้ที่นี้ี่แน้าห้เราะปับปูงห้าวได้มนุษย์เสยเป็นมนุษย์ถือไปเสิร์เป็นมนุษย์ที่ดีมีิ้นฐานมีกุศลกรรมมีวัชชิตประจําเสียวเพราว่ามนุษย์เสวมนุษย์พวกนี้ตายเหรอคันว่ได้เป็น เทวดาเทพาวุธก็สิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์สี่สมบูรณ์เด็กขุนนักทั้มันมันเกิดง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดง่ายลำบากลำข้ามนีเท่ากับมีโศกรับอันหยิ่งง่ายเลยจะไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่อย่าให้นันพิษหวังรักษามนุษย์เช่นดัดเอาไว้ตังใจทํา คุณงามความดีอย่าให้ขาดทุนซึนกลมไรลอย่าให้ตายไปเตาไหนนี่คุณงามความดีในเหนือในตัวตายไปคุณงามความดีที่ห้าสังไหวมันเบลอไรเลวัวใจไซด์มันคืออะไรคืไปรักไปสมมติเออโค้งเฮาเอามาเกิดชื่ชื่อกันก็มาใหม่มันเกิดเถอะมันเกิดชื่อหน้ามันเกลียะมันเย็บเอาไว้เผือกพันตรงนั้นต้องไป ดินใส่น้ามันเกิดเป็นไมอีเผืดของนันจะบอกใหม่นึนบอกงมันเกิดเป็นงองนีถจะเป็นหนี๋ยุย่างนันนั่นโยนแสงได้ตอนนี้ท่าโมกเยนไปเพราะตนันเยนแสงได้ลองฟังเชื่อไหวมันจะเยนแสงศพศาสิเกิดเป็นน่เป็นแห่งเป็นเป็นหาเป็นตาเป็นกามันเกิดไพออานาจของกรรมสื่องได้ ตัวสาลามกกรรมสีบอดีสีเขาทเอาไว้มันจะไ้เกิดในสถานสี่บยเหมาะสมเกิดจะพูดกันจมันเกิดในสถานสีามสีซัวทำมันจเกิดในสบยางนั่นมันก็เียว่านี้ลาสีน่าจังสีาวหน้าเมื่อไหราส่วนมือไหรมันเพิ่มกูสวอยางใเห็นไหมอภัพทสสัิอาภัพคือบนสามาจี่ ทำคุงาจความดีให้เก่หนาไดได้จนมนุษย์พึทีว่าพระประชัที่สัดถือข้วตื้นตื้บัดเกิดมากว่าได้เข้าจึงขั้วจมนตีแจเนี่ยขสะสมกุงาจความดีเอาไว้จินตีแมนุษย์โฉมนุษย์ที่ดีมีคุณธรรประจําตัวมนุษยเผ่าโวเป็นมนุษย์ที่ีทําของเผ่าดา นีหนริปวดตะปะด้วออย่างบาปกลัวบาปบมกาท่ำในสถานที่ถั่วไปถึงซื่งว่าบาปย่างหลายกลัวหลายที่กันก็อย่างไ ส, งกกงส้กลัวไส้เน้นๆแ น, น่นๆเน้นเด่นมาใส่เขากับปั๊ออกมันใหม่มเั้นเผาบ่ไม่ดีบ่อยากจับอยากตอกมันใหม่เั้น วันไหนเราไปเจ็บโนหันใช่มีบาปกรรมวัื่อว่าลางมกต่างๆคปนจะ้าอก่าถําถึงเชื่อว่ากรรมตัวเป็นเจ้าคือที่นี่เชื่อว่าถ้ำไงชาตมนุษย์คือมีวิความอายบาปโสดะความกลัวบาปคนผู้นี้คืานอนนี่ถ้ำขาวเป็นเช่ว่าถ้ำเป็นเชื่ว่าดาทั้ง้นีิหลางกายหน้าตาเป็นมนุษย์อยู่ ไปสะท้านคือได้ขู่กล่อมหลวมใสไปสะท้านคือไดม่มีพืดอิจฉาเบียดเบียน ไ, ไปสะ ท, ท้านคือไดเขาหวเหนืเสียใจเขาควางซุดกริบบ่ทำบ่ปูดบกิดใม่ทั้ทงเฉียวทั้งเสียเราะว่าเป็นเทวาดามน้เทวาดามนุสเทวโลกมันเาานล่าหนร่างกายชู่กันก็นนพวกเข้าเนี่ยบุฟีตแปกแจกจางเี่ยไม่มีเขามีหา เ ป, cricket, เป็นมนุษย์เพื่อกันแต่จิตใจมันพิดแตกแตกต่างกันกันแต่ท้ามันพิดแตกแตกต่างกันฉะนั้นท่านสิปั๊บพูงตัวของท่านเป็นมนุษย์ซเตโซสีปั๊บพูไปได้สิปั๊บพูงให้เป็นมนุษย์สัตวิปะชานุสีปั๊บพูนไปได้ทิท่านตัวให้เป็นมนุษย์โฉก็ท่านได้ท่านตัวให้เป็นมนุษย์เเทิลโว่ก็ท่านได้ที่ท่านตัวให้เป็นมนุษย์อริโย จะเป็นภารียาเจ้าเขาก็ทําได้บลื้อ้้างนาท้องห้องห้ององการห้องป่าถนะจะป่าถนะคือคือบลทําตามอันของบ่ตามขั้ปาถนะขั้ตัวได้ชื่อป่าถนะอยากกินเข่าเห็นมันอิ่มมันโอิ่มขันาล่นื้อกินขันอยากว่ล่นเนือกินอยากว่เล่นือขันถ้เล่นือเาเลเือกินความอิ่มนันก็ ยืนได้งานี่เฮาต้องการมุกกระทเล็ดได้ต้องการกระท่อของเฮาความใจในสอนมีเหตุมีผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเฮาที่เกิดมาวันขึ้นเดือนสี่ี่พนไปเด่สามกุงางค้อมดีไหวยางได้แม่แล้วฟังหนาฟองเฮานั่นสิอย่างยืนเท้าว่างขาดไดเฮากะขาดบดัดตัวมีส่งหม้หน้ายประกัน บางคนนั่นฉี้มียอนี้คนน่ีเมีอนยิ่งนถึงวันถึงเมล่างกายมันตายไปด้วยกันมองว่าผู้อยู่วับโยผู้อยู่บ้านขั้นตาเปล่อันไดหรืเป็นเครื่องสิจิตรงตามตัวไปเป็นนูตามตัวอะไรน่าวดเสกันหน้าว่ากันหน้าอนให้มีกรรมเป็นพ่องเต็มมีกรรมเป็นสูเหตุผลมีกรรมเป็นแยเกิดมีกรรมเป็นสุดติดตาม กันก็คือการกระทัาท่ากายการพูดหรือว่าจาการคิดโดยใจกายกรรมวิีกรรมโมกกรรมกรรมโมริยูในวิาขะยูกับร่างกายจิตใจทั้งห้ามีนอกจาท่าเอวยังไหลไส้ทั้งห้าไหลไท่านเครองไหวความเครื่งนี่ติดตามไป้แต่ท่านเครไหวความดีนี่ยจะติดตามตัวของเ่าไปมีกรรมเป็นของข้องตุ่นมีกรรมเป็นที่เหตมีกรรมเป็นแดนเกิด กรรมดีแตเฉพาให้เกิดดีให้นดีมีความสุขมีอายุยืดโลกไพ่ก็เบียดเบียนความทุยาลำหลากราคาสต่สมบัตองคำเงินทองต่างๆนี่สบทุกยางบ่ล้ำหลาบอ่าราคาถ้ามีกรรมดีจะรับเจอนุหาคิดอันใดทำอันใดก็เป็นไปเกควางุขความจริ่ได้มาต่างสม ความปรารถนาของตนนี่คือกรรมดีที่บุกวบสร้างไว้ถ้ากรรมเสื่อไว้มันจะว่าได้ตามปรารถนาได้อันใดมากก็เป็นผีเป็นได้อันนั้นมากก็ให้ทุกข์ใจใจทั้งตัวนี่คือกรรมเสื่วมันจะให้หลีเย็นละทอนไ่ให้มึนดีเสียกรรมส่วเพราะมันเป็นพิด มันสีง่ายสิสบายมั้นสิทาสะดวกของก็คิก๊ใจของก็เคงต้องการเคือ่องเปลือกแ้นเสือันก็หาผลยันนะหาเสือแก้จนเน่ยคนนิกรรมไป็นท้องของนมนกรรมป็นีูห่หายนีกรรมเป็นดานเกิดหาที่แกหน้าหาถึงคิเพื่อใจเหรอห้าบกบ่กล้า ทำกลัวเสีย่ราโามกต่างๆเพราะการมที่เราทาไว้ไม่เฉยสนแกสนมัน้นอื่นถึงม่รับส่วนเอาไปห้าวจิตได้ซ้อมออนนไปถึงหาวางน่นห้าวใจยางนั่ น, น, ายยา น, น, นห้าวแต่ละในง่ายๆสงเสยวถี่ห้าวสิท่านสิผูดสิจิตเพราะความเสีวมันเป็นขนสะท่อหย่อนครับนาฮะเสียวเป็นง่วตามเสวไป เบาปัจจัยน้ทควงเสียวเาสั่งควงเัวบาท่านควงเสวท่านถึงจะควงดีควงดีกันนี่ร้ายยิ่งร้าย่างีถอะท่านได้เราถึงจะไื้ถนดในแง่ไดนม่งไดบุญจีเป็นก้าไหวนิ่งน้น้อยนีนคือเกิดขึ้นบุญียากวัคิดในเรื่อเก่าท่าไม่บุญสําเกตโดยการหายท่านการห้ท่าน เป็นวนเป็นกศลแกบุคคลผเหตุผู้สั่งผู้ที่หายไปหนึงหายดีเจตนาดีไ่นหายยังง้อกินหายด้วยการชงเคราะหหาด้วยการมือชาหาด้วยการชงคราะ์เพื่อหาแจ่มชุ่มหนปากน้องอดอยากอยากจนถ้หายเข้าไปก็เดีใดยวเดยยืด้ยกินเขาก็มีควง ทกวัสบายให้ไปแท้ไปเขาก็ได้ยนหมมีหงุงเขาตาใจเขาก็เลยาวกินค้นเงถึงเล่าอดจนลาบากอยากแฉมจริงๆในจังได้กินเลเวลาหหิ้วกว่านันสบายปดดทุกบ่ลำบากพางหิวล่าหนาวมาก่มีผานแค่นีห ท่านใดมีเหตนให้มุ่กระทำเป็นสุขมีความสุขเขาทำแจกเขายางไยเขาได้ความสุขยางใยความสุขหนึ่งมันก็จะท้อนยอดกลับมาห้เขาเพื่อที่ให้เขาไปไม่ใช่ว่าท่านไม่เป็นบุญเป็นกุศลแจกมุค้นผู้ให้ให้แจกผู้ไดให้แจกพวกใยพวกนงเขาก็รีบไมุ้ลองเห้ไปสะทานที่ใดาก็เขาลบ อย่างไส่เหมือนกันมีกนมีไทยเขาไปอย่างไปเยี่ยนเขาก็ยินดีหายเขาก็เรับตรงกับตรงหาจากเขาหนหายจฟุตที่อดอยากอยากจนหายใจควุนทีโมอดอยากอยากจนแต่คนทีเป็นผู้ทีมีคุณธรรมควนมูชาทนอยากว่าให้เกิดตารมูชาคือบูชาควุนของผู้คน มีเงมีคุณเส็จพ่อเส็แม่ผู้เถ่าผู้แก่หรือผู้มีอาตมีท่านถ้าหาทนไปทั้งทั้งคนยาอยากได้คนซึ่้มีเง่หาดยการดูชาคุ้นเหยวว่าท่านท่านจะนีร้ายขันร้ายตอนนี่นะท่านท่านท้องสีตาม่าว่างกทานท้องิดเราบอากถนาท่านสีความสีเฮา โมต่องการให้ทานคนอื่นเพืวห้นาทา่นทานคือท่านตําได้ผลกับผลตั้มตปล่อยป่อยนิดหน่อยผลทีอไรหมาก็เป็นผลที่นา้าตาถนาะของตนพอท่านของตัวโมากถนะจะให้คนอื่นไปเพื่อวัห้นาทา่านมากินมาท่ า, ทานคือท่นานสนึ จนใส่จนใส่จนนินหงุดหงิดจนกลิะหายท่านเพเราเอื้อเพท่านเสนอกันกับจี๋เราใส่เราใส่จนนิ่งแต่ท่านอุตมาท่านท่านของอูดมท่านของไปเสดก็จี๋นใส่จนใยจนนินหงิวลาอุตมาท่ามีฝนเลิศฝนไปเสดผลมีเศษยกตัวยางจี๋ทนหาท่านยางนั้น อย่างนั้นอุนมาท่านสี่เราเป็นคนทุกขหนากลำบากอาชาไปหางางสามสี่ได้ผ่ายางอนดอกข้ามมาอยู่ต้อขอสามสี่เพื่อจังหิถ่าพุ้นหน้าพูเราเป็นคนทุกข์คนจนในสมัยนั่นเขามีการมีเงานแต่พื้นเขาดีมีเงินมีทองเขาหนุน่าหงอนดอกข้าม ผู้ที่เป็นภาดินี่คุ้นค่าเป็นภาดินคนทั้งหลายผู้ทีนี่จงบเขายิ่งดีใส่กันในสมัยนั้นเราเห็นข่ารออยางได้แต่ขอขอแม่เขาเงินขอท่อนไปสื่อก่ามันีอย่างแล้วถึงมัไมีให้จังไดอย่างใดใจสิรูสิขาดแม่ก็ดเลยแม่นั่ง็นอย่าใด้นไปยนนั่งเฉดชี้แต่เป็นคนใส่เขาอยู่ไป นั่นขเขาเขาเห็นความดีขเขาห้าเขาจะหายเรวก็เห็นเลยลาแม่ไปอยู่นั่งเศดชีตั้งสามปีเป็นผาหน้าผาอย่างดอกขั้นยังม่ใหใส่เลยสยล่าเศษชีก็มา บ, าาาามาาบ้านก็ดีพระชนไปนเวศในปลาในยงม่อับน้ำชนเจ้า้าไวชวนมาเห็นผานลักเอาไปได้บอาผานผาง เขาอาม่เอาเมเอาไปวัดผาทีกองไว้ทาอุ้นหรือเลวท่านท่างเขาเรีน้คนยามฤทธาอี้หนึ่งมีผาระราชจะได้ยัเอาใบใหม่มีตัวปกป้องเอาใบวะขีนาเรื่องเกียนาอายได้มีพิ่งจากเอาใบใหม่กับเนเท่าไรก็เยมากเห็น ผ่าพนมนี่นงคหนีไปเห็นเลย้องสายคิดเราพระนี่ด้วนีผ่านี่แท่นจังไรเอ้เฮาอยู่สิทุกอย่างลาดาบอนาถาก็คง้จกค่อยแหยท่างท่าบุญท่ากุศลมากกว่านี่จังทุกหน้าผ่าแค่สี่สีชมพูเสื้อของเขากระโดดบัล่าจีนผ่า เพินเป็นท่านจะนาผ่าล้วนี่อยู่ก็เนี่เรายังเหนื่อะได้สืผ่านใหท่านให้ท่านเพิ่นว่าให้ท่านเดผ่าต้องเสียงน่งทีเป็นผ่าเกี่งเงาบงคผ่าเพียนผ่าแคบผ่าหางหรืท่านเพึ่นสืเป็นผ่าเดบดผ่ายงาแต่เกาแต่ควนตีเถายงกันนึ่เป็นหุ่นสืบหเห็นคนหนึ่งคนหนึ่งง้ามหูง้างสายแล้วเกิดท่าท่านอีก งนนั่งมนาท่านสี่เราเหมือนว่าท่าเราล็อกานะถึงเจอวากลอุงยกลําบากอ้าหน้าทา้อดความจนเม่าพบได้าดไดหายงเลี่ยนไหวตายเกิดยังไม่ทันถึงพันพันเมื่อได้ยินพบพบเห็นคล้หมีความฟุ้ง่องสบายเกิดในพได้ขาดได้คไ้อยหลังกายสวยหลางกายงายแต่ใจโลกใครไครเจ็บเราจจากฟิวฝา ผู้ได้เห็นเขาก็ให้หลงไหลไฟฝันอ้าเป็นผู้ายอยากได้ตาถนะหมดอยู่ตรงนี้หน้าจีเขารบก็เถากัตายได้เกิดสั่งาเพราะอำนาจที่เราท่านผ่าให้แก้ที่ซุกขับลุ่จากสังซ้าแต่เทวดามนเกิดไปหน้าอุณาขนจีเกิดในตะกูลทีเศรษฐีหลุมหลังหน้าหลาย คนธรรมดาคือ th ้ายเห็นเลยลับตาก็ได้หลงไหพอคนง่ายข้างหน้าง่งคิดคนธรรมดาพอเห็นง่ายมากเป็นแสบเป็นสาวก็เลยไปกาดพุ่งไปเจอเพนดินเพื่อช่วหายม่ับเอาไปเป็นอคารม่ได้สีเป็นรางทีนี่ถ้าจะเพนดินก็เลยแจงพาม้า แล้วก็ฮะเข้าห้าป่าม่นอยากให้กินเพราะผ้าไม่เห็นมันเคลิมมันหลงไหลเขาหลูหล่างเาเงี่จมเข่าคี่อันตรีเอาเข่าปากเอาขึนไปขังหัวขึงไปมีเอ้ยหน้าผมที่หงุดหงิดนี่มันหลงมันเคลิมมันสันไปเขาก็งนา่แล้วก็เลยขับไล่แล้วเรียกดาวาแล้วเชียด์ในไปทึ่มทะเลสาบนั่งกาลากินนี่แล้วก็เลยม คณะาก็เลยมาลับเอาไฟต่อมามหาอมรภ์มาเห็นเขาก็เลยเอาไฟนื่ขวัญงามอันิ่งสงของการให้ทานคงดีได้รูปดีอืมวตาชนะมีขวัญอยากได้้าเห็นกับไฟฝันพอเห็นกับพอใจยิ่งดีพอเราเดือานคงดีเลยได้อันิ่งสงคงียั่งมากคือดีให้ทานคองบ่ดี นั่นกระด้ทชบ่ดีเป็นส่วนตอบแทนท่านท่องเลิดเด้นเลิท่านช่องเฉิ่ก็ได้๋ยวฝนเฉิ่อยถึนวาเป็นกาววายางนั่นนี่อันโยงของการเหตุท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคลิ่ีเลียนไหวไตเกิดเกิดทั่วได้ฉาิไดแต่มีคนสู้กายสู้ใจบ่อดบ่จนพอผลของการเหตุท่านสิท่าไม่ถิ้นรไม่ คือการรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาบทชาผู้ช่วยาสตร์ายมุกตกประโปกนี่เป็นการวางท่าให้อายุนี้เป็นบุญเป็นกุศลบูเป็นควอมืีนี่พยายามรค่าเบียดเบียนผู้ที่ท่านได้รักษาได้ตายไปเกิดพทษได้ฉาบิได้กรณีอายุยืมนี่หลังใจอืมขอบอ้ะ เขาว่าเบียดเยียนเขาเขาก็นีควมฟุบเวลาเขาวาขโมยเขาจับต้อมัดเขาเกิดนี่ขึ้นเขาก็ว่ไม่รักมัอเขาโม้เงอเกงใจนี่เืออํานาจของนตายไปแต่ด็สุขติเพื่อว่านสุขสิเงีิคนที่รักช้าชีนบริสุทธิ์ควปพวคนหนึ่งตายไปเด ได้เกิดทุกขติได้เกิดเป็นมนุษย์กเป็นมนุษย์ทุกขติคือบมรถอยากอยาก จ, ากจนบเป็นคนน่อยเปียเยสียฤจธิตนี่หนกนได้เกิดเป็นเ ท, ทวุทธเทวดาชีเลนะพุ่งขรบาป5ท่าตุ่รักษาศีลบริสุทธ์บริสิ์กหนึั่นก็เกิดมีพกขศัพย์พอเพิ่นรักษาศีลนั่นพวคศัพท์ เกิดขึ้นจากเพื่อนเพื่อกันก็ผู้บ่ายอายการทำผู้ี้ซีนมนี้ซูบโมีมูลถึงเนี่ยเพื่อนว่าเลยสะสมแสวงหาโดอำนาจซีนเเพื่อนวเลยสดใดได้รองเลยขอเ่อนจะยืมดีนมอันนั้นอันนี้แม่หาม่วายนี่คืออนสงส์ทงศีลี้เรื่องพวกสัมปทาแช่นจีดีอดอยากยาจนโมเป็นยางนะตรัดเข่าของไหลน ออำนาจสินของพนี่เดี๋ยวควนท่านหลายในท่านเจ้าผู้ีสินยังนั่นจยิ่งดีเต็มใจใดอันนี้งหลายพอควยิ่งดีในจิตในใจนันหลายว่าครรับอันนั้นให้เนรับอันนี้้เขาเข้าก็ยิ่งดีเกิดอินในจิตในใจในการที่เข้าไห้เขาถวาย่นสีเรนนี่พูถึงยนติผู้ถือรักษาสีน บริสุทธิ์บริลลิลนได้จะเริ่มชมราวิพัฒนาใสกันเอบรรลุเป็นพระู้ศิบริสุทธิ์เป็นอริญาบุคคลเพราะการกระทํางของคนทาไปเพื่อฟังบริสุทธิ์ีลยังเป็น่วงสาคัญหาคู้ได้รักษาได้อานิสงส์แบนี้หน้าหน้าย่างเสียที่ใบหน้า เวาสีล่ไม่ภาวนาไม่เดือดเส้นเดเกางภาวนาคือการเอื้อร่มใจท่วงตนห่างใจจัความเสื่อความเสียต่างๆพยายามทาจิตทำใจให้อยู่ในคุณนทมบ่ให้ฝุ่งใหุ้งใหจิตให้หนไปในทั้งสื่ทั้งเสียรักษาเอาไว้ให้ใจสงบ หาใจยอยากเย็นหาใจมีความสุขโบวิ่งโบเต็นบ่แลนตามสัญญาอารมณ์มันว่าภอหน้าไหมที่สั่งใจทั้งตัวให้สงบเป็นสมาถะเมืะะะะ่อสงบแล้วพิจารณาถ่าพิจารณาคันพิจารณาอัตจารณาท่ามันใดกระล่งงงองเข่วเข่าใจละถอนพิเลศชั่วซา ต่างๆนาตไปถือว่าวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งของจิตของใจมีอานิสงส์ห้ายจนสามารถกายจากผู้ทุช่นเป็นอริยเจ้าได้มีอานิสงส์หรือบุญเกิดจากภาวนาปัจจะาไม่บุญเกิดขึ้นจากการขวนขวายเสียเลียคนอื่น คนทำบุญสุนทางมีการมีงานมันมีห้วยเหลือเพนหลังถวยหลังสร้างรักน้ำรัชาได้หยาูบนนางบนน้ทุกอย่างนี่แหละห้อวยเหลือเจาบ้นห้อวยเหลือเพื่ออันอื่นวยเหลือเพื่อเอาบุนเป็นกะว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้กรตางอเท่าไม่คนทำก้วนดีกอันงอทาน้าเพลินเบือิจฉา เบียบียนปฏิทานาไม่ดบนเสาเร็ยบเดือกการอุทิศบียนกุศลถึงจนถ้ำแล้วให้แกมุคขลผู้อื่นแกสัดอื่นนี่ก็เป็นทา้งบุยนทังกุศลท่าว่าเทสนาไม่เขาหูอัตหูถ้มอันใดแสดงให้แกส้นอื่นเขาหูเขาเข้าใจนี่ก็เพื่นว่าเป็นบียนเป็นกุศลเดี๋ยวว่าเทสนาไม่ทํา เทสนาไม่เป็นการแสดงให้การสร้างถ้ำเยือกตามมาลีพิณวังจังไรอยู่รึมั้งนี่จะเป็นบุญเป็นกุศลเท่ากันธรรมสวค์ไม่คือการสร้างถ้ำมาถสพิวัาเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้นดดข้นสิตหึงชักคิดถึงตัวดีแบบบุญคุณเถิดกัเพราการจะรับลายฟัง หากการหาการสดับเราส้งหัวบุญหัจักอันใดเป็นบุญเป็นกุงเป็นโษอันใดชัวอันใดดีอันใิดอันใดถูกเราเดียยินไดฟังอาดทั้งี่ผู้ลูกผู้ตลาดเพื่อนีง่เพื่นสอนว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งอีกเื่อกันเ่ว่าบุญเกิดขึ้นจากยังเานี่แหละ แล้วก็คิดทุกข์กรรมท่านคิดท่านใจทังตัวให้เห็นตรงนี่เปว่าบุญนบุญกิริยาวัฏฏิิมันมันเกิดขึ้นไดยางยางเดียวท่านิอยางกับเท่าไห่เจริท่านรักษาสิ้นภาวนาภาวะทวาเสื่อเยอะเสื่อน้อุทิศบุญให้แกคนอื่นบู่อื่นท่ำให้เทาเองเป็นคนท่ำหรือห่อทหลืหก็ได้อันนี้สง แต่การกระท่ำของข้าวคือต้องข้าวปลูกเขาปลูกหน้าปลูกเผือปลูกพักน่แหะข้าวปลูกไวข้าวก็ไดใสเดี๋ยวซอยได้ยาวได้กินแต่ข้าววัวปลูกวัวสั่งอยากมันก็ได้แล้วบางทีเราไปสืบไปหาคนแต่ข้าววัวเห็ดไวข้าวโก็ัดอยากถึงเวลาน่ะไปฟองหมอว่าคือบางทีอันไหนกินน่องเลยเหก็พบว่าหายมาไหวหนอมันจะไปหาเอียงเส้น คล่องหัวคล่งหายมันก็ไ่มีอไรรว่าหาไม่ไหวแต่้าหาไมไอยากอะไรเอามาส่งมาแจงนะสิ่งนาีกินได้พะเฮ้ยเยอนี่เฮ้ย่าหาไหในชากที่เป็นมนุษย์ตายไปเกิดถุกอยากลำบากอาขาเส้ก็ได้พาะเป็นผลเป็นกำไลของชีวิตตายไปเกิดขึ้นหนเป็นแห่งขึ้น เยู hte, <c oughs> right bon. ่จนนะจะยื้อนั้นอยู่จนงดกรรมอันไหนจนใครสิเดียนแจไปหยดอันไหม่มาือเป็นต้องแห่รักษาไว้เดี๋ยยิ่งดีเย้ะสิพอใจในการท่านสท่านเสียปวดสืดเสียระมัดระวังรักษานี่คือการเตียนตัวเองตัวเือท่านคุ้นแมเครา่ดีอเดียนวันขึ้น มันพางไปที่เย็นจะเข้าหากับนหน่อยไปหน่อยไปห้ามันคือกันก็ระดับได้มันไกลติดตายไกลติดตกถนัดมันม่กับเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นมึงเป็น้ายอีกได้นี่แต่จะไฟถนาดเซ็กคือเดือนขันแห้งดีแสงทอเลื่อยคนที่ชุดกระดับงดเรื่องเพราะว่าคุณไม่ไมเขาเรียนึ้นไหมนี่ห้าวอีกคืนนี้คืน คิดเกาทางเกาเงื่อนิ้วเท่ยคิดดินคิดเเลนเ่อนั่สิ่งคิดได้ทา้ไหลวุ่นอาจไมเกิดเป็นเหตดเป็นชีเป็นจัดเป็นอันใดอันหนึ่งช่ไล่บากรหามหอกันคิตใจทองหาไหวสั่งก้งางกลดีเสินี้กประมาทอฉาดขอมนุษย์จริงจริงว่าฉาดประเสริฐคิดเสือมนุษย์สัมปชัญญะผ เป็นผู้ไปเสดเป็นนาฏอันเลิศการเกิดมาเป็นมนุษย์ตัวผู้ชา จ, จ้าก็เป็นมนุษย์อโะดาวเสี้ยนท่าข้ า, ข อ, อ, า, า, าอาณาข้าอรหันต์ทั้งหลายนั่นก็นเป็นมนุษย์เจิดที่ก็เดุมที่นั่น่็เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นมนมาจากแทงอื่นผู้ที่มาเป็นมนุษย์ควรจะมาเป็นผู้ที่ดีที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสัตว์ตีนสาง ย่งก็เปลี่ยิ่งก็อาสุรกายยิ่งก็ปกตตงอลงงหม่าขาบนซ้อนใจทั้งเท่าไละเสือทงเท่นดีเกิดงายเลยไใกินไช่ขี่มันคือามีสารประโยชน์อันใดทะยามดินจิตดูใจทั้งเจ้าของตื่นง่ายทะยงที่เจ้นงา เราวันหนึ่งเราสี ส, าสังพื่อนเพืนดีอันใดใสาสังเอาไว้เห็นเราังเอาไว้น่ยก็บ่ได้ดูเห็นสีของน่องสียังมี อ, ม อ, มอาายอู่ทำมาเป็นของเลิศคนดีสิสังมาจนายในสีตส่าง ส, สีเป็นแม่ไดา้เป็นของนํนบาบได้คนดีนี่อายุขาดเท่าตายไปหรอกนะบ่ได้ตายในถังในใสต่ตอนนี้เกิดมาบ่าทน หนึ่งวันตายไปแต่นี่ยังม่ท mm ันเดือนเทีตายไปแต่น so, ับว่ถ so, ้วนห้าคนหน้าแต่นับบ่ได้ซื้อเงินคว่ไข่คว่ำน้าคว่เจ็บควเป็นของสิโลต้องบ่ได้ห้ามหนึ่งเป็นของหนกทั้งลำหนักให้ทางอุายซักัตุมานับบ่าได้ที่สีเทาหลืออยู่ได้วันตายไปมันจังวคิดสังาจยนที่ตางเป็นของที่มีคุ้มค่าเป็นของหาเลยยาก งง ม, มันค่อนง่ายี่ตายไปเห ม, มือนเขาไม่จะตา ย, อยาอดอกจังชึ้นข้าวึง้นไหนชิ้นไมลร่างเลยันจะตายไปเฮ้ยคุณไมห่หันตายอย่าเขวัตเขว่าจังชิ้นเาวนาให้ท่านเข้ากับท่าได้ที่จะตายไปเทวท่านก็ได้ดิพระองค์นี่น่าจท่านให้เพราะแค่นั้นเข้าไปผากันทีนีทีแจง น, นา รับเตือนนินตาขึ้นหน้าสีสานคางาความดีเอาไหวกระดับกายกระดับใจกระดับว่นกระดับเรียนประดับปีไอ้นี่ความความความดีทวีขึ้นขึ้นเยอะน่อยเยอหน่อยเย็บบ่ยอะบ่ถอนมันจะไหลไปเองเงื่นสี่ข้อบาดมันจะไปเจ้าสายตาเงื่อนสี่ขอยอมันจะไปเจ้าบาดเงนสีพข้ท่านพ่อเงินกับชือกันสี่ผู้สี่มาระหาดย่างนง่น ให้ย่างท่อมท่อมดีห่อยนั่นนิดหนึงหน่อยโมยุบโถอยมันจะร้ายขึ้นที่กัคนก็เผื่อก็พวกไม่ฟังพ่นฟังให้าเงี้มันควไปเจ็บเอามันหันเจ็บเอาวันนี้โมยุบโถอยห้ามันก็ง่ายขึ้นจังก็จะสูงขึ้นมันไม่มีกลิ่นีนเวทักเตอร์ดอกมันขาดมากแไม่เห็นว่าเท่ามันง่ายขึ้นเกผู้ิงว่าประมาฟังกูงานท่อมดีเดี๋ยการเหุ้ทานรักษาสิ้น จเริ่เนื่อตาพอหน้ากัท่าน้องียกันมันก็ถ้าวิู่ขึ้นขึ้นมากขึ้นหลายขึ้นเนียมันเยมันอยากเชื่อเล็กเชื่อไ่งหนอแย่หางแต่เนาะฮะตรงไหล่ก็เป็มจ้ะมันขึ้นออกยืดง่ายๆมมันแตกมันรั่วฮะวายวายมันก็บกกแหงอือกันแันเนี่ย่างไหลออกมีกล้อชั่อแตเนียไหลออก คว่ดีมันไหลเข่าสองเชือของห้องดีเคยตเคยสูงเคยเยเคยทํา่ะย่งครับไลมันออกไปใส่ย่งถอดถอนายใจจากคว่ำเชืกควดีที่เอาโบเกสะสมมาจก่าจะก้อนหรือสะสมมาแล้วใส่ย่างรักษาเอาไว้เหยยดค่ดีว่ไหลเข่าทายเชือกัชออกไปเย็บพูนดีเอาไว้เอาีนี่คว่ดี ในกายในใจทั้งเทาเกิดบนใดสะาดใบไม่ซุกกัะสบายเพราะมีความีที่เกิดเป็นนโมเกิดเกิดในกองเงินกองท้องโบวตัวอยากโบวอยาบบว์จนจะชี้ปัญญาจะเป็นคว้วถึงจะสี้ปัญญาเก็บแรงก้มก้าจตถึงร่างกายจะมีกำลังร่างสร้างจิตประกอบางงานอนไดก็ค่องแค้วท่ามได้จถึงสมรัด เขาควงท่องแต่นี่นักแ่เท่าที่เนี่ยในใไในซอย์วยากยากจนหนึ่งพ่คว่มีควดีเป็นสุขสีของมนุษย์สะสมเอาไว้คว่ำดีที่เาสะสมเอาไว้มันมีทางลัวไหลไม่ทางเสียหายเป็นจังไหหาควดีเอาไว้ละคว่ำช่วออกไปูะได้ซ้อนใจทั้งตัวยางน่มันเจ็บ เลกพอคว่หน่อยไนะคุณงาควดีควนั่นแต่ทีนี้คว่ำดีเทวีคว่ขึ้นถือว่าวัดอย่างๆจนไม่คว่ำดีเกิดพบได้ชาตได้ปทีนี้คว่ำรูกายรูใจเพราะแคนั้นวันนี้ราาสิพานไปไม่ษาอนสิมแล้วว่ำดีคว่เฮานี่อันใดเน่ยที่ใหน่าทางนาข้าว่าท่านหลวงท่านตายข้าวที่ทางคว่ำดีอันใดให้จิตเอาไว้เราเมื่อทำข้าสีดใ สนปากนาของเขาเบยางน่มันก็ว่ามีคุณค่าสละอันใดนี่แต่เซลล์เป่ยากลางตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันเป็นเศษเป็นผีมันโดดีวางง่ายในคนมนุษย์ไหยมันจะยังสั่นจนมนุษย์สัตว์กระฉานมนุษย์สเตโตไปเสีละว่างรักษาปลอกห้ามทั้งนั่นแหละมนุษย์ทั้งซีก็ดยดีว่ามนุษย์นี่มาจากบ้านอื่น หยุดพุงหวเวลามันขิดตัวกายพุงห้าวเวลามันทำตัวมันจะเป็นชัดเป็นเกิดไปก็ได้พอทำดีเป็นมนุษย์มันก็เป็นได้เป็นเทวดามันก็เป็นได้ม่ในตัวเพราะนมันค้นก็ยุ่งเหลื่อยิงก็ยุ่งเหยื่อช่วงก็ยุ่งเหย่เลือกขัดจัดหาเอาที่แย่ง้าเอามีสรีมีปัญญาเลีอกขัดจัดหาจริงดีดีออกไหว จริงจริงชัวชินนี้ไปชื่อกันก็นห่อต้มห่อแจงไปสอนกลุ่มคนหนี่ยวเนี่ยถึในหน้ามันมันถือจะกลุ่มใช่หอบทนไดนะ้มัน ก, ก, กนนินนู้กินน่ะมันก็ถูกหื้มคุ้มขาวมากโอ้ไม่ทำงานมันก็ชิดมากเพรมันถือจงช้นเล็อันี้เป็นโมดีินไปอันนี้มันดีเลเลือกเอเาไว้มาต้มมาแจงชิน้น มีความคิดความอ่านเขาเหี่ยความทำเขาห้ากันชื่อกันเห็นจิตใจมันคิดไปซัวค่ะไปยั่งหากห่านไม่ไหวจะหายมันไปทำไปพูดไม่ชนแน่นอนนี่ชื่อกําจัดชินสีซัวบม่ห่รั่วไหลผมมาเทมใจความเชื่อ่ยู่แล้วกําจัดตาเต้าออกไปความดียิงมหันต์นสาสมนี่ขึ้น ความดีที iner, recruit, nah ่ไม่ีแล้วรักษาไว้อยางได้พยายามแต่ท่านพี่แม่ความดียังขึนกิตเียวมนุษย์โตมนุษย์เท่โย่เป็นมนุษย์ที่ต้อเ็เป็นมนุษย์ที่เลอะเป็นมนุษย์มาป่าธนาแนัห้ามุ้งกลุ้มเดียนี้เด็ังจงนัามไปที่นิติเจ้หน้าอย่าับจัดหาความดีเอาไว้ทำเซียวเทวไป ใหยงละเละนี l l ở, ết, ang, ạn, ôi, ้ให้นี้ความดีประจตัวมือนี้ซึ่งความดีประจตัความความเงี่ง่ายขึ้นที่บายธรรมะเวลาเานตอเวลาจิตงนเว